วันนี้ปีนี้ได้ข่าวว่าเป็นปีชงปีชงก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่เห็นเขาพูดกันหนาหูก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นปีอะไรก็ไม่สำคัญหรอกเพราะปีวันเดือนปีมันไม่มีอิทธิพลต่อ ชีวิตจิตใจของพวกเราสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของพวกเราก็คือกรรมกรรมก็คือการกระทําของเราเองของพวกเราเองกรรมที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้แหละเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของพวกเรา ไม่ใช่เพราะไม่ใช่ปีนั้นปีนี้ปีกุลปีช่วดปีฉะรูอันนี้เป็นสมมุติเราสมมุติกันขึ้นมาชงกันขึ้นมาเดือนปีมันไม่รู้หรอกว่ามันปีอะไรมันไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีกุลหรือปีช่วดเดือนปีมันไม่มีชื่อ เราไปตั้งชื่อให้มันแล้วเราก็ไปว่ามันดีชั่วความจริงมันไม่ได้ทำให้เราดีหรือชั่วทำให้เราสุขหรือเจริญทำให้เราทุกข์หรือทำให้เราเสื่อมแต่สิ่งที่ทำให้เราสุขหรือเจริญหรือทุกข์เจริญหรือเสื่อมดีหรือชั่วนี้คือการกระทำของเราเอง การกระทํานี้ทางภาษาพระเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทําแต่บางครั้งเราก็เอาไปใช้แทนคําว่าบาปเช่นบุญกรรมความจริงต้องเป็นบุญบาปแต่บางทีเราก็ไปใช้คําว่ากรรมแทนคําว่าบาปแต่ความหมายของคําว่ากรรมที่แท้จริงนี้ แปลว่าการกระทําการกระทําของเราที่เราทํากันนี้เราทําอยู่สามทางด้วยกันคือทางใจทางวาจาและทางกายเนี่ยเราทำสามเราเวลาเราทํากรรมเราจะทำสามทางนี้ทางใจนี่ทําอย่างไรก็ทําด้วยความคิดนี่ เราคิดว่าจะพูดเราก็ไปพูดเราต้องคิดก่อนเราต้องมีมโนกรรมการกระทำทางใจเรียกว่าโนกรรมคือความคิดคิดว่าจะทำนู่นจะพูดนั่นพูดนี่นี่ก่อนนี้ก่อนที่จะพูดออกมาได้นี่ก็ต้องคิดก่อนคิดว่าวันนี้จะพูดอะไรดี พอคิดแล้วว่าจะพูดเรื่องปีชงเรื่องกรรมทีนี้ก็ปล่อยให้มันคิดไปคิดแล้วก็พูดตามที่มันคิดคิดแล้วถ้ามีการกระทาก็จะสั่งให้ร่างกายทากิดว่าปีนี้วันนี้เป็นวันดีวันเกิดของเรา มาทำบุญออก็สั่งให้ร่างกายไปเตรียมข้าวเตรียมของต่างๆแล้วพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาที่วัดเพื่อมาทำบุญออการทำบุญคือการเอาข้าวของเงินทองออมาบำรุงพระศาสนามาสนับสนุนพระศาสนา ให้ตั้งอยู่นานๆเพื่อที่จะได้เป็นล่มโพล่มใส่ให้แก่พวกเราเชาวพุทธนี่ก็เป็นการกระทำมีสามทางด้วยกันทางใจต้องมาก่อนใจนี่เป็นหัวหน้าเป็นเหมือนหัวทั่วหัว ถ้าหัวไม่สายหางก็จะไม่กระเดกเนีหัวต้องเป็นผู้สั่งก่อนสั่งให้พูดถึงจะพูดได้สั่งให้ทำอะไรถึงจะทำได้และการกระทานี้ก็มีสามรูปแบบด้วยกันทำบุญหนึ่งรูปแบบทำบาปแล้วก็ทำแบบไม่เป็นบุญไม่เป็นบาบ นี่เป็นการกระทำสามทางด้วยกันสามแบบด้วยกันก็จะทำบุญหรือทำบาปหรือทำกา ร, กรหรือทำที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ต้องมีใจเป็นผู้สั่งการก่อนแต่วันนี้ถ้าคิดว่าเป็นวันเกิดก็อยากจะทำความดีอยากจะทำบุญ ใจก็คิดว่าวันนี้ไปทำบุญดีกว่าก็เลยพูดออกไปชวนเพื่อนฝูงหรือญาติสนิทมิตรสหายหรือสามีภรรยาบุตรธิดาว่าวันนี้เป็นวันเกิดไปทำบุญกันไหมนี่ยนี่ก็เป็นการกระทำทางวาจาเป็นการพูดเชื้อเชิญให้คนไปทำความดีกัน แล้วพอถึงเวลาก็เอาข้าวของที่ได้เตรียมไว้มาถวายให้กับพระที่อยู่ตามวัดต่างๆนี่เรียกว่าเป็นการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจการกระทจาจะสำเร็จเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้นี่ต้องคิดแล้วก็ต้องทำด้วย ท่านเพียงแต่มีความคิดเช่นคิดว่าวันนี้จะทำบุญแต่ไม่พูดไม่บอกใครแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่คิดบุญก็ไม่เกิดขึ้นมาบุญจะเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดจากการคิดแล้วก็ทำตามความคิดส่วนการพูดนี้อาจจะทำให้สำเร็จเป็นบุญก็ได้ อาจไม่สำเร็จเป็นบุญก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญชนิดที่เราทำถ้าเป็นบุญชนิดที่เราต้องอทำด้วยร่างกายคือต้องไปเอาข้าวเอาของไปถวายพระถ้าไม่ได้ทำด้วยร่างกายบุญก็ไม่เกิดถึงแม้จะพูดทางวาจาว่าวันนี้จะไปทำบุญนะแต่ก็ไม่ได้ไปทำตามที่พูดเพียงแต่ ทำตามที่เพียงแต่คิดแล้วก็พูดเนบุญก็ยังไม่สําเร็จผลก็ยังไม่เกิดขึ้นมาต้องคิดแล้วแล้วก็ทําด้วยแต่บุญบางอย่างนี้สําเร็จได้ด้วยความด้วยการพูดก็มีเช่นพูดว่าคิดว่าวันนี้จะพูดแต่สิ่งที่ดีจะพูดแต่สิ่งที่ทําให้คนเขามีความสุข เช่นเวลาใครเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีกับเราเราจะให้อภัยเขาเราจะพูดว่าไม่เป็นไรอย่างนี้บุญก็เกิดจากการพูดที่ดีพูดด้วยความเมตตาพูดแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผลคืออะไรผลของบุญก็คือความสุขใจนี่เอง เวลาเราพูดดีทำดีด้วยความคิดที่ดีก็จะทำให้เกิดเราสุขใจขึ้นมาวันนี้วันเกิดเราเอาข้าวของมาทำบุญพอเราได้ถวายข้าวของแล้วเราก็จะเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจขึ้นมานี่แหละเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเรา ไม่ใช่ปีชงปีชงก็ปีมันก็ให้มันชงไปเลยถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์แต่อย่างใดถ้าเราทาบุญเราก็จะรู้สึกสุขถ้าเราทำบาปเราก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเช่นวันนี้เราจะไปะไปทำร้ายผู้อื่นไปลักทรัพย์ของผู้อื่น อันนี้ก็เป็นความคิดกระทำบาปนะพอไปทำบาปไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้วใจก็จะเริ่มมีความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาต่อการกระทำกลัวที่จะถูกจับไปลงโทษนั่นเองพอได้ทำความผิดเอาไว้ที่มีโทษตามมาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ทางร่างกายนี้ยังอาจจะไม่เกิดขึ้นก็นได้ถ้ายังไม่ถูกจับแต่ทางใจนี้เกิดขึ้นแล้วคือความกังวลความหวาดกลัวที่จะถูกจับไปลงโทษนี่แหละคือสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อตัวพวกเราคือจิตใจของพวกเรานี้ คือการกระทาของพวกเราเองไม่ใช่อยู่ที่ปีหรือเดือนหรือวันวันนี้เป็นวันเกิดแต่ถ้าไม่ไปทาบุญก็ไม่ได้ผลดีการจิตใจวันนี้เป็นวันเกิดเดี๋ยวไปฉลองกินเหล้าให้มันเมาซะหน่อยให้หัวทิ่มไปเลยแทนที่จะเป็นความสุขความจเจริญกับการเป็นความทุกข์ขึ้นมา มเมาแล้วก็อาจจะไปอาลวาดไปทะเลาะวิวาทไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้หรือมเมาแล้วขับก็อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุตัดความลดชนกันตายไปก็ได้ตายในวันที่ดีตายในวันเกิดเพราะว่าไปทาในสิ่งที่ไม่ดี ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นวันดีแล้วจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาเองไม่ได้ชื่อก็ไม่ได้ทำให้เราดีชอบตั้งชื่อกันแล้วเกินไปหาหมอดูถามตั้งชื่อไหนถึงจะดีตั้งชื่อดียังไงก็ติดคุกได้นะไปดูที่คุกสินายชื่อของคนที่ติดคุกนายดีก็มีนายบุญก็มี นายรวยก็มีมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำเนี่ยไปทําผิดกฎหมายทาบาปแล้วตํารวจก็จับได้ก็เอาไปติดคุกติดตารางเห็นไหมเนี่ยข่าวที่ดังอยู่ล่าสุดนี้ไปป้นจี้ร้านขายทองแล้วฆ่าคนตายแล้วเป็นยังไงตอนนี้ถูกจับแล้วสิถูกขังอยู่ในคุกแล้ว นี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสำคัญคือการกระทาของเราอย่าไปสนใจอย่าไปกังวลกับวันเดือนปีเลยมันเป็นสมมติวันนี้กับเมื่อวานนี้มันก็เหมือนกันสมมติว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดมกาเมื่อวานนี้ก็เป็นปีที่แล้วเป็นปีไม่ชงพอวันนี้ก็มาหนึ่งมกราก็เป็นปีชงขึ้นมา แล้วมันต่างกันไหมล่มะเมื่อวานนี้กับวันนี้มันก็มีอาทิตย์ขึ้นมีอาทิตย์ตกเหมือนกันมันมีมืดมีแจ้งเหมือนกันมันไม่มีหรอกไอ้ของเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติเนี่ยเขาสมมุติกันขึ้นมาสอนกันมาแล้วก็เชื่อกันมาเป็นศาสตร์เป็นอะไรไปเป็นโหราศาสตร์เป็นดาราศาสตร์น ตั้งชื่อดาวต่างๆว่าเป็นดาวนู่นดาวนี้แล้วเดี๋ยวเวลามันโคจรมาเจอกันก็ว่าจะต้องเกิดให้นู่นเกิดใอ้นี่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปุงแต่งทั้งนั้นเป็นนิยายถ้าจะพูดความไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันอยู่ที่การกระทาของเราทำดีได้ความสุขทันที ทำไม่ดีได้ความทุกข์ทันทีอันนี้แหละเป็นของแท้ของจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกำรรไม่ต้องไปเชื่อเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่สำคัญไม่เชื่อกระด้แต่อย่าไปลบหลู่กันใครเขาจะเชื่อว่าปีนี้ปีชงจะต้องไหว้เจ้าวไหว้ผีไหว้อะไรก็ปล่อยก็ไหว้ไปเขาจะต้องทำอะไรก็ปล่อยเขาทาไป แต่ถ้าก็มาถามเราว่าเราเชื่อไหมบอกเขาเลยว่าไม่เชื่อพระพทธเจ้าสอนว่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเนเรื่องจริงมีเรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเราคือเรื่องกรรมเนี่ยแล้วก็ผลของกรรมนี้ไม่ใช่จะเกิดเพียงชั่วขณะที่ที่เราทำกรรมเท่านั้นเช่นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เรา ได้จากการทำบุญหรือทำบาปนี้ไม่ใช่เป็นผลตัวเดียวเท่านั้นยังมีผลอื่นตามมาอีกเพราะบุญและบาปนี้ที่เราทำนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นผู้บ้านเราให้เราเป็นอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิด คำว่ากาเนิดนี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายนะร่างกายที่เรามีอยู่นี้พ่อแม่เป็นผู้ให้กาเนิดกับเราแต่ใจของเราเนี่ยที่จะเป็นอะไรต่างๆนี้กรรมเป็นผู้ให้กาเนิดกับเราใจเป็นผู้ให้เราเป็นมนุษย์ให้เราเป็นเทพให้เราเป็นพรหม ให้เราเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เนี่นี่คือกรรมเนี่ยเยพระพุทธเจ้าที่มาตัดสั้ได้นี่ก็เพราะกรรมดีที่พระพุทธเจ้าได้ทําไว้กรรมที่ทําให้พระพุทธเจ้ามาเป็นพระพุทธเจ้าคืออะไรก็บารมีสิบนี่เมตตาบารมีทานบารมี ศีลบารมีเน่คั ม, มบารมีโอเบขาบารมีปัญญาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีนี่แหละคือสุดยอดของความดีอยู่ที่บารมีสิบบาลมีสิบนี่แหละที่จะเป็นตัวบ้านให้จิตใจของเรา เป็นอะไรกันถ้าเรารักษาศีลห้าได้จเจริญศีลบา ร, รมีได้รักษาศีลห้าได้เราก็จะปั้นจิตใจของเราให้เป็นมนุษย์จิตใจของเราจะไม่ไปเป็นเปรตไม่ไปเป็นเดชะฉานไม่ไปเป็นอสุ ร, รกายหรือไปนรกถ้าเรามีศีลห้าคือไม่กระทำบาป ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่จะปั้นให้เราไปเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นมนุษย์ถ้าเราทำบาปนี่ไม่รักษาศีลใจของเราก็จะเสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นแปดบาง ขึ้นอยู่ว่าทำบาปด้วยเหตุผลอย่างไรเฮี้ยทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้เนี่ยไม่เชื่อบาปไปเชื่อปีชงแทนแล้วไปทำบาปนีทำบาปเพื่อไม่เพราะความไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลต่อจิตใจผู้ที่ทำบาปด้วยความไม่รู้นี้หรือหลงนี้ถ้าบอกจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ผู้ที่ทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆาอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆ เ, เวลาคนเราอยากจะได้เงินง่ายๆมากๆเร็วๆทำยังไงตามข่าวไปป้นไปจี้ไปฆ่าคนเพื่อที่จะได้เงินมาเยอะๆป้นทองล้านทองทีนี่ได้เป็นล้านถ้าทำงานเดินละหมื่นสองหมื่นนี่ไม่รู้กี่ปีถึงจะได้เงินล้าน อันนี้แหละทำบาปด้วยความโลภเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นเปรตนะถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวจะถูกเขาทำร้ า, ายก็เลยทำร้ า, ายเขาก่อนฆ่าเขาก่อนอันนี้ก็จะเป็นอสูรรลากายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใครทําให้โกรธแล้วต้องจองเวรจองกรรมกันตาต่อตาฟันต่อฟัน นางแค้นกันพวกนี้ก็จะไปนรกนี่แหละคือผลของการทำบุญหรือทำบาปมันไม่ได้เพียงแต่เฉพาะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เท่านั้นมันมีสะสมไว้ในใจต่อไปใจเราเริ่มเป็นเดรัจฉานเป็นเ ป, นปรตปและโดยที่ร่างกายของเรายังอาจจะเป็นมนุษย์อยู่ แต่พอเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็จะไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานอย่างสมบูรณ์ต่อไปถ้าเราทําบาปกันนี่แหละคือใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้มันไม่ได้ตายไปกับร่างกายนจิตใจของพวกเรานี้พอร่างกายตายไปจิตใจของเราก็ไปสู่ภูมิของเราที่เราทําไว้ถ้าทําบาปก็ไปอบาบัย ถ้าไม่ทำบาปก็มาเป็นมนุษย์ต่อแทนที่จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อถ้าไม่ได้ทำบาปและไม่ได้ทำบุญถ้าได้ทำบุญด้วยไม่ทำบาปด้วยทีนี้จะยกระดับจากมนุษย์ให้ขึ้นสูงขึ้นขั้นต้นคือรักษาความเป็นมนุษย์ด้วยการไม่ทำบาป รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วก็ถ้าอยากจะสร้างจิตใจให้เราเป็นเทวดาไปสวรรค์ตอนที่ร่างกายนี้ตายไปก็ต้องทำบุญด้วยนักษาศีลห้าแล้วก็ต้องทำบุญทำมากทำน้อยก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นสูงชั้นต่าทำบุญมากก็จะไปสวรรค์ชั้นสูง ทำบุญน้อยก็จะไปสวรรค์ชั้นต่ำเแล้วการทำบุญนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวอาจจะคิดว่าคนไม่มีเงินก็ไปสวรรค์ไม่ได้สิไปสวรรค์ได้การทำบุญนี้ทำได้หลายรูปแบบถ้ามีเงินก็ใช้เงินทำก็ได้เนี่ยซื้ออาหารใส่บาตรเนี่ซื้อ อิจฉภาพให้แก่สัตว์ที่เขาจะถูกฆ่าซื้อปลาซื้อปลูซื้อปูซื้อปลามาปล่อยปล่อยนอกปล่อยปลาไทายชีวิตวัวควายอันนี้สำหรับคนที่มีเงินทองถ้าต้องการจะไปสวรรค์ไปเป็นเทพเนี่ยก็ต้องทำฐานเสียสละแบ่งปันแต่ถ้าไม่มีเงินทองแต่มี อย่างอื่นเช่นมีความรู้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นครูสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สอนพิเศษให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีรายได้ที่ยากจนก็ได้สอนโดยที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียนไม่ทำธรรมดาเวลาไปเรียนกดวิชาเขาจะเก็บค่าเล่าเรียนของเด็ก แต่ถ้าเราอยากจะทำบุญเราไม่มีเงินทองที่จะทำบุญเราก็สอนเด็กที่อยากจะเรียนรู้วิชาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการให้ความรู้เป็นวิทยาฐานก็ได้ก็ไปสวรรค์ได้เป็นคนไม่มีเงินทองแต่มีวิชาความรู้ก็สามารถไปสวรรค์ได้ไม่ต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียว เราถ้าไม่มีวิชาความรู้ไม่มีเงินก็ยังไปสวรรค์ได้เรามีเวลาว่างมีร่างกายที่แข็งแรงเราไปทํางานอาสาสมัครโดยที่ไม่รับค่าจ้างตอบแทนเช่นมูลนิธิต่ตางๆมูลนิธิจิตอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิาาธธโปรเตสติ้อหรือวัดวาต่างๆต่างๆ เวลาเราไปวัดเรามักจะไปทําความดีกันไปทําไปเสียสละกันเห็นนห้องน้ําของวัดสกปรกก็ช่วยกันทําความสะอาดเห็นวัดลกไปด้วยใบมุงใบไม้ก็ช่วยการกวาดช่วยการเก็บเห็นวัดมีสิ่งที่ชํารุดทุดโทรมที่เราพอที่จะซ่อมแซมได้เราก็ช่วยซ่อมแซมไปทําไป อันนี้ก็เป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันทําความดีเหมือนกันที่จะปั้นจิตใจของเราให้กลายเป็นเทวดาขึ้นมาอันนี้คือกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดกรรมวโยนีแปลว่าเรามีกรรมให้กําเนิดกําเนิดนี้ไม่ได้กําเนิดทางร่างกาย แต่เป็นกำเนิดทางจิตใจพวกเราอาจจะไม่รู้ว่าจิตใจของพวกเรานี้สามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างตอนนี้เราอาจจิตใจของเราตอนนี้อาจจะเป็นมนุษย์อยู่แต่ก็ไม่แน่เพราะตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้เราไปทำบาปมามากน้อยเพียงไรแล้วเราได้ทำบุญมากน้อยเพียงไรแล้วาาการที่จะรู้ การที่จะให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปนี้ใจของเรานี่ต้องมีบุญหรือบาปเท่าๆกันถ้ามีบาปมากกว่าบุญใจเราเริ่มไปทางอบายแล้วเริ่มไปทางเดรัฉานทางเปรตนะถ้าใจเรามีบุญมากกว่าบาปใจเราเริ่มไปทางสวรรค์นะไปทางเทพนะแต่ถ้าใจของเรามีบุญกับบาปเท่าๆกัน เนี่ยตอนที่เรามาเกิดตอนที่เราได้ร่างกายของมนุษย์เนี่ยตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆตอนนั้นใจของเรามีบุญกับบาปเท่าๆกันนี่คือเรียกว่าปัจจัยหรือเหตุที่ทำให้เรามาได้ร่างกายของมนุษย์คือเวลาที่ใจของเรานี้มีบุญหรือบาปเท่าๆกั น, นบุญก็ไม่สามารถ ทำให้ใจเราเป็นเทวดาได้บาปก็ไม่สามารถทําให้เราเป็นเดรัจฉานได้เราก็เลยมาได้ร่างกายเนี่ยใจของเรานี่มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าบุญที่บุญหรือบาปที่ปั้นให้จิตใจไปเป็นเทพหรือไปเป็นเปรตนี้มันหมดไดเออ้เช่นสมมุติว่าเราทําบุญมากกว่าบาป และเวลาตายไปเนี่ยจิตใจของเราก็จะไปเป็นเทพเพราะบุญนี้มันมีมากกว่าบาปนะแต่เวลาไปเป็นเทพเราก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มใช้บุญไปบุญที่มีอยู่ในใจก็จะค่อยลดลงมาลดลงมาตามลาดับพอบุญที่มีอยู่ในใจมันลดลงมาเท่ากับบาปที่มีอยู่ในใจเราก็ต้องเสื่อมลงจากการเป็นเทพ กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่กลับมารอรับร่างกายของมนุษย์จากพ่อแม่ของเราใหม่ในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันถ้าตอนนี้บาปในใจของเรามีมากกว่าบุญเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบาปก็จะดึงให้ใจของเราไปรับผลอย่างใดอย่างหนึ่งไปรับผลด้วยการเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรต เป็นนรกล้งกายเลื่นนรกเนี่ยแล้วบาทมันก็จะเริ่มค่อยๆหมดไปบาศมันก็เหมือนบุญเหมือนน้ำมันรถยนต์เวลาเราเติมน้ำมันรถยนต์แล้วเราขับไปไหนมาไหนน้ำมันที่อยู่ในถังมันก็จะค่อยลดน้อยลงไปตามลำดับจนกระทั่งเราเห็นว่ามันเริ่มไปถึงตัวตัวอีแล้วไปขีดแดงแล้ว เราก็รู้ว่าต้องแวะจอดสถานีเติมน้ำมันแล้วจิตของเราก็แบบเดียวกั น, นพอน้ำมันของบุญหืน้ำมันของบาปมันลดลงมาอยู่ในระดับเท่ากันนี่มันก็บอกว่าต้องไปเติมแล้วต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วนีเน่เราจรึงขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้หมายความว่าพอเราตายไปแล้ว ถ้าไปสวรรค์ก็จะอยู่ในสวรรค์ไปอย่างตลอดหรือว่าถ้าไปนรกแล้วก็จะไปตกนรกไปตลอดอย่างบางศาสนาเขาคิดอย่างนั้นกันบางศาสนาเขาสอนแค่นรกหรือสวรรค์เขาสอนว่าถ้าตายไปถ้าทำบาปก็ไปนรกแล้วก็อยู่นรกไปไม่มีวันกลับคืนมาเกิดใหม่อถ้าไปสวรรค์ก็จะไปอยู่สวรรค์ไปไม่มีวันกลับมาเกิดใหม่อีก มีศาสนาพุทธเนี่ยที่สอนว่าไม่ว่าจะไปสวรรค์หรือนรกก็ตามเดี๋ยวบุญหรือบาปที่ส่งให้ไปนรกหรือสวรรค์พอมันหมดกําลังลงมันก็จะปล่อยให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลาที่บุญกับบาปมันเท่ากันเนี่ยเราก็จะมาเป็นมนุษย์ตอนที่เรามาเกิดออกมาจากท้องแม่เนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กทารกเนี่ยตอนนั้นน่ะ ใจของเราเป็นมนุษย์เพราะว่าบาปกระบุญมันเท่ากันแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเดี๋ยวก็เริ่มทําบุญทําบาปนะส่วนใหญ่มักจะทําบาปก่อนเพราะเป็นเด็กไม่รู้บาปบุญอยากได้อะไรก็คว้ามาเลยคว้ามามับเลยไม่รู้ว่าจะเป็นของใครก็ตามอถ้าอยากได้ปับ๊บหยิบมาเลยนี่อันนี้ขโมยแนละ้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเ ทำบาปนะอะไรที่ทาให้เราต้องมาทาบุญหรือทาบาปก็คือความอยากต่างๆนี่เออะความอยากที่นี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันถ้าเราไม่มีความอยากเราก็ถึงแม้จะบุญหรือบาปมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันมันจะไม่ดึงให้เรากลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ไม่ให้เรากลับมาเกิดใหม่ เหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดใหม่นี้ก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นตัวนี้แหละเป็นตัวที่จะดึงให้ดวงวิญญาณของเราเวลาที่บุญกับบาปมันมีกาลังเท่ากันมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ช่วงไหนที่บุญและบาปมีกําลังมากกว่า ความอยากนี้สู้กำลังของบุญของบาปไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้บุญเป็นถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงดวงวิ ญ, ญญาณให้ไปเกิดเป็นเทพถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงดวงวิ ญ, ญญาณให้ไปเกิดในอบายจนกว่าบุญหรือ บ, บาปนี้มีกำลังเท่ากันไม่สามารถที่จะดึงจิต ด, ดึงใจไปในทิศทางใดหนึ่งได้ ความอยากนี่แหละมันถึงจะมีกำลังที่จะดึงให้เรามาได้ร่างกายมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอออกมาจากท้องแม่ปับ๊บความอยากก็เริ่มทำงานทันทีเด็กมันร้องรองเพราะอะไรร้องเพราะความอยากอยากกินอยากดูอยากฟังเห็นไหมพ่อแม่ต้องคอยหาของมาให้จะได้หยุดร้องถ้าหิวก็หานมหาน้ามาให้ดืม่ม พอดื่มเสร็จแล้วยังร้องอีกก็ต้องหาอะไรมาแล้วอยากจะดูเลวอยากจะเล่นอะไรหาของเล่นมาให้เล่นหาของดูมาให้ดูบนเปรนี่เขามักจะแขวนอะไรให้เด็กให้ได้ดูมีปลาตะเพียนทองสมัยโบราณเขาจะมีตาปลาตะเพียนทองห้อยอยู่บนเปร เด็กเวลานอนไงหน้าขึ้นไปเห็นปุ๊บปามันก็ดูแล้วก็เพลิดเพลินปามันก็แกว่งไปแกว่งมาแล้วบางทีก็มีกระดง่งกระดิ่งให้ฟังด้วยเอพอได้ยินเสียงก็เกิดความสุขเกิดความเพลิดเพลินใจขึ้นมาเพราะใจมันหิวไงใจมันมีความอยากอยากเสพรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆตอนต้นก็ยังไม่ได้ทําบาปตอนที่ยัง ทำอะไรไม่ได้นี่ก็อาศัยพ่อแม่รบกวนพ่อแม่คอยร้องอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเบื่อกับไอ้นี่ก็ร้องเดี๋ยวเบื่อกับไอ้นั่นก็ร้องอยากจะได้ของใหม่พ่อแม่ก็เลยต้องหาของแปลกๆใหม่ๆมาให้เล่นให้ดูให้ฝังอยู่แต่พอเริ่มโตขึ้นนะพอเริ่มขยับขยัเริ่มคลานได้เริ่มเดินยืนได้เริ่มหยิบอะไรได้นะทีนี้เห็นอะไรก็อยากจะได้ก็หยิบมาเลย ก็เริ่มขโมยของนะบาปก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมาในใจการจะได้ทำบุญนี้ต้องโตต้องมีอะไรถึงจะทำบุญได้ส่วนใหญ่มักจะไปทำบาปกันก่อนนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเรากับเรื่องของกรรมที่มาทำให้เรานี้เป็นอะไรต่างๆนาน า, นากัน ตอนนี้เราเป็นมนุษย์ร่างกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี่ไม่รู้นะว่าเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นเทพก็ได้เป็นเปรตก็ได้หรือเป็นอสูรกายหรือเป็นนรกก็ได้วิธีที่จะรู้ได้วิธีหนึ่งก็คือตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับร่างกายมันอยู่เฉยเฉยมันไม่เคลื่อนไหวมันทำอะไรได้ไม่ได้ ความอยากไม่สามารถใช้ร่างกายออพาไปทําอะไรต่างๆได้ความอยากมันก็เลยย้อนไปเอาเหตุการณ์ที่ได้ทํามาไว้ที่มีบันทึกไว้ในใจมามาให้ความเพลิดเผลินมาเสพอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ร่างกายตอนที่นอนหลับมันไม่สามารถพาไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ ก็เลยต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เสพไว้ตอนที่ตืน่นได้มีการบันทึกไว้ในความทรงจานี่ตอนที่เรานอนหลับนี่เราจะเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตมาปรุงแต่งแล้วก็จะปรุงแต่งไปตามเหตุการณ์ถ้าเราทำบุญเราก็จะมีเหตุการณ์ที่ดีมาให้เราปรุงแต่งทำให้เราฝันดี ถ้าเราทำบาปไว้เราก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาให้เราปรุงแต่งเวลาเรานอนหลับเราก็จะปรุงแต่งเรื่องที่ไม่ดีเป็นความฝันร้ายขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าสถานภาพของใจเรานี้มากไปทางไหนมากไปทางบุญหรือมากไปทางบาปก็คอยสังเกตเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันก็แล้วกัน ว่าเราฝันดีหรือฝันไม่ดีหรือฝันแบบกลางๆเองถ้าฝันแบบกลางๆคือไม่ไม่ดีไม่ไม่ไม่ดีไม่ไม่ชั่วฝันสบายสบายไม่ใช่ฝันร้ายไม่ใช่ฝันดีอันนี้ก็แสดงว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่ถ้าเราฝันดีเราก็ว่าเราเป็นเทวดาแล้วจิตใจเรามีบุญ ถ้าเราฝันร้ายนี่แสดงว่าเราเริ่มไปอ บ, บายกันและเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่เราฝันบาปที่เราทำเนี่ยบาปกระ บ, บนี้มันไม่ได้หายไปนะเวลาที่เราทำเสร็จแล้วมันเหมือนกับถูกบันทึกไว้ในใจของเราใจของเรานี่เป็นเหมือนมือถือใหนะ็ไม เวลาท่านไปไหนมาไหนเห็นอะไรเห็นภาพเห็นเสียงอยากจะบันทึกก็ถ่ายเก็บเอาไว้พอกลับมาบ้านไม่มีแม้ไม่ได้ออกไปนอกบ้านแต่อยากจะลอยากจะดูอยากจะฟังก็เปิดมือถือดูได้เปิดดูภาพที่ได้บันทึกไว้ทั้งภาพนิ่งทั้งภาพที่เคลื่อนไหวภ า, ภาพที่มีเสียงเนี่ยใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนมือถื อ, อเนี่ยเราออกไป ตอนที่เรามีร่างกายเราใช้ร่างกายพาเราร่างกายเรานี้เป็นเหมือนมือถือเป็นเหมือนกล้องเป็นเหมือนเครื่องบันทึกเสียงที่จะไปบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปทำไว้ในแต่ละวันนี่แล้วก็ฝังไว้ในใจของเราพอเวลาที่ร่างกายเราไม่ทำงานเช่นนอนหลับหรือเวลาร่างกายตายไป เหตุการณ์ที่เราไปบันทึกเอาไว้เนี่ยเราก็จะเอามาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเป็นความฝันว่าเราไปทํานู่นทํานี่ทาดีล้วก็จะฝันแต่เรื่องที่เราไปทาดีทาบาปเราก็จะไปฝันแต่เรื่องที่เราทาบาปทาบาปแล้วก็มีแต่เรื่องที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นกับเรา ทำบุญก็จะทำมีแต่เรื่องที่ทำให้ใจเราเย็นใจเราสบายมีความสุข น, นี่เป็นผลของบุญของบาปที่เราทำไว้นะมันไม่ได้หมดไปนะมันอาจจะเราอาจจะลืมมันไปแต่มันไม่ลืมเราเนะมันยังอยู่ในใจของเราอยู่บางเวลาถ้าเรานึกถึงบุญที่เราทำได้มันก็ทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้ บางเวลาไปคิดถึงบาปที่เราทำไว้มันก็ทำให้เราถูกใจได้เพราะมันยังไม่หมดมันยังฝังอยู่ในใจของเราอยู่มันจะรอเวลาตอนที่ร่างกายของเราตายไปนั่นแหละตอนนั้นนะ่ะมันจะเริ่มใช้บุญหรือบาปที่เราได้สะสมมาไว้เวลาเราตายเนี่ยถ้าเราทำแต่เรื่องไม่ดี เราก็จะเอาเรื่องที่ไม่ดีมาปรุงแต่งในขณะที่เราไม่มีร่างกายเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่เรื่องราววุ่นวายเรื่องราวหวาดเสียวหวาดกลัวหรือวุ่นวายที่อดอยากขาดแคลนหิวโหยหรือวุ่นวายมีเรื่องราวที่มีค่าฟันกันล่างแคนกันจองจองเวรจองกรรมกันมันเอาลมันเอาเรื่องราวเหล่านี้มาจาก ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราไปทําอะไรต่างๆเราบางทีเราโกรธใครเราก็ไปเอาเรื่องเอร า, าวเขาไปด่าเขาไปว่าเขาไปทุบตีเขาไปทาร้ายเข้าของเงินทองเขาด้วยอารมณ์โกรธเนี mm ่ย hmm. มันก็บันเทิงเอาไว้พอเวลาไม่มีร่างกายแนละ้วใจมันก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มามาคิดมาปรุงแต่งกลายเป็น เป็นเรียกว่าความฝันแต่ความจริงมันเป็นเหตุการณ์เหมือนจริงเลยตอนที่เราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันเราคิดว่าเรากําลังอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเราคิดว่าเรากําลังมีเรื่องมีราวกับคนนั้นเราคิดว่าเรากําลังไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่กําลังมีความสุขกับคนนั้นกับคนนี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้เราจะมารู้ว่าเราฝันก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเท่านี้ พอตื่นขึ้นมาเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่เป็นความจริงเนีเป็นความฝันแต่ความจริงมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเสมือนจริงสมัยนี้เรามีโลกเสมือนจริงในคอมนี่เรามีสามารถที่จะเล่นเป็นอะไรได้มีเกมให้เราปรุงแต่งได้สมมุติให้เราเป็นทหารเป็นนายพลเป็นนายร้อยแล้วเราก็เล่นเสมือนจริง อันนี้ก็เหมือนการจิตใจเราเหมือนเครื่องคอมทุกอย่างเวลาที่ไม่มีร่างกายเนี่ยมันก็จะเอาหเหตุการณ์ต่างๆที่เราทําไว้ตอนที่เรามีร่างกายเนี่ยเอามาปรุงแต่งเอามาเล่นเป็นเกมแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะมันเหมือนจริงทุกอย่างนั่นละ่ะนี่ละ่ะคือโลกของ โลกทิพย์เวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราไม่มีร่างกายแต่เรายังจะอยู่เหมือนกับตอนที่เรามีร่างกายเรายังจะอยู่แบบเหมือนมีเห bell, ตุการณ์ต่างๆเหมือนกับตอนที่เรามีร่างกายเทียงแต่ว่ามันเป็นโลกเสมือนจริงเหมือนไมมันไม่ได้จริงเหมือนตอนที่มีร่างกายแต่มันก็เหมือนจริงทุกอย่างเพราะเราเอาเรื่องที่เราได้บันทึกเอาไว้ตอนที่เรามีร่างกายตอนที่เราตื่นเนี่ยมา เก็บไว้ในใจของเราแล้วพอเวลาที่ไม่มีร่างกายใจของเราที่มีความอยากเจ็บรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาผสมปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้เราได้ได้สัมผัสให้เราคิดว่าเรากําลังอยู่ในเหตุการณ์จริ ง, รงๆนั้นใช่ไหมบางทีเวลาเรานอนหลับฝันล้างนี้ตื่นขึ้ น, นมาเหงื่อแตกพัคเลยะ เหมือนกันวิ่งหนีใครใครเขาจะตามฆ่าเราเนี่โอ้ยวิ่งหนีสุดขีดเนยกลัวสุดขีดเลยพอมาตื่นถึงจะรู้ว่าโอมันมน ม, นนมันเป็นเรื่องของความฝันแต่มันก็เหมือนจริงนี่แหละคือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของพวกเราตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเป็นบุญมันก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆให้เราได้ได้ดูได้สัมผัส ถ้าเป็นเหตุการณ์ไม่ดีถ้าท่านเป็นเป็นบาปมันก็จะมีแต่เรื่องราวไม่ดีให้เราได้เสพได้สัมผัสจนกว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันหมดกำลังลงเรื่องราวต่างๆที่เราสะสมไว้มันหมดเอามาเล่นจนหมดเนี่ยเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นีสสำหรับผู้ที่ทำบุญหรือทำบาปเนย สำหรับผู้ที่ไปไปทำบุญอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไปฝึกสมาธิไปทำให้ทำใจให้สงบเนี่ยพวกนี้เวลาจิตสงบนี้จิตมันจะว่ามันจะไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาพวกนี้เวลานอนหลับนี้ก็จะฝันแต่เรื่องว่างๆไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆ เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบไปจนกว่ากำลังของมันจะหมดมันถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของการทาบุญของการหาความสุขของมนุษย์เรามนุษย์เราหาความสุขด้วยการทำบาปก็มีด้วยการทาบุญก็มีด้วยการไม่ทำบาปก็มี ด้วยการทาใจให้สงบก็มีคือไปฝึกสมาธิไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบใจมันก็จะบันทึกความสงบเอาไว้ในใจเวลานอนหลับมันก็จะหลับอย่างสงบเหมือนจะไม่มีความฝันเวลาตายไปมันก็เหมือนนอนหลับสนิทเหมือนกับไม่ได้ฝันแต่มีความสุขความสุขของสมาธิ ล่เลี้ยงจิตใจให้จิตใจมีความสุขตลอดเวลาจนกว่ากําลังของสมาธินั้นมันหมดลงใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะในใจยังมีความอยากที่จะเสพความสุขแบบต่างๆอยู่พวกที่ชอบสุขเสพความสุขของสมาธิก็จะกลับมาสร้างสมาธิกันใหม่พวกที่ชอบเสพความสุขจากการทํา ทำบุญทำความดีก็กลับมาทำบุญทำความดีใหม่พวกที่จะเสพความสุขด้วยการไม่ทำบาปก็จะกลับมาไม่ทำบาปใหม่พวกที่เสพความสุขด้วยการทำบาปก็จะกลับมาทำบาปกันใหม่ ในโลกนี้เราจึงมีคนทําบุญทําบาปกันชนิดต่างๆกันทําไมคนนี้เขาถึงชอบทําบาปทําไมคนนี้ถึงชอบทําบุญทําไมคนนี้ถึงชอบไปบวชไปนั่งสมาธิก็เพราะว่ามันเป็นนิสัยของเขาไม่ว่าเราทําอะไรแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจเราเป็นนิสัยขึ้นมาติดเป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนว่าทำไมคนนี้ถึงใช้มือขวา ทำไมคนนี้ถึงใช้มือซ like ้ายเพราะเขาถนัดเขาเคยใช้มือซ้ายเขาก็จะมาใช้มือซ้ายขวาใช้มือซ้ายต่อเขาเคยใช้มือขวาเขาก็จะกลับมาใช้มือขวาต่อทำไมคนนี้ชอบสีแดงทำไมคนนี้ชอบสีเขียวทำไมคนนี้ชอบสีเหลืองเพราะเขาเคยชอบสีเหล่านั้นมาเขาก็จะชอบสีเหล่านั้นต่อไป ถ้าเขาเกียรติสีนั้นเขาก็จะเกียรติสีนั้นถ้าเขาเกียดคนแบบนั้นเขาก็จะเกียรติคนแบบนั้นถ้าเขารักคนแบบนี้เขาก็จะรักคนแบบนี้เวลาที่เขาเจอจะมาสังเกตดูใจของเราทำไมอยู่ดีๆทำไมเห็นคนนี้แล้วไม่ชอบขี้น้าเห็นอีกคนทาไมชอบเขาเห็นสีชนิดนี้ไม่ชอบเห็นสีชนิดนั้นชอบหรืออาหารก็เหมือนกันเห็นร เห็นอาหารชนิดนี้เห็นปั๊บก็ไม่ชอบกินนะเพราะมันเคยไม่ชอบมาก่อนในอดีตชาตินั่นเองใจเราไม่ได้สูญหายไปกับร่างกายน้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจที่อยู่ในใจมันไม่สูญหายทุกสิ่งทุกอย่างความจําก็ไม่สูญหายเป็นแต่นึกไม่ออกเท่านั้นเองแต่บางทีก็นึกออกบางทีก็นึกแบบข้าวๆ จำได้แบบเข้าคาว่าจำได้ว่าชอบสีนี้ชอบสีนั้นไม่ชอบสีนั้นไม่ชอบสีนี้พอให้เลือกปั๊บจะเลือกสีที่ชอบสีที่ไม่ชอบจะไม่เอาอันนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเหล่านี้มันไม่ได้สูญหายมันไม่ได้อันตรทานหายไปไหนแล้วสิ่งต่างๆที่เราได้ทำไว้ ไม่ว่าจะดีหรือชั่วมันก็จะสะสมอยู่ในจิตในใจของพวกเราแล้วก็จะพาให้เราไปทําของซ้ำๆแบบเดิมอยู่เรื่อยๆเราชอบอะไรเราพอเรากลับมาเกิดปั๊บเราก็จะกลับไปทาอย่างนั้นคนที่ชอบดื่มสุราก็จะดื่มสุราคนที่ไม่ชอบดื่มสุราก็ไม่ดื่มสุรา ทำไมคนนึงไม่ดื่มโซลากันทุกคนทำไมบางคนดื่มบางคนไม่ดื่มก็เพราะว่ามีคนชอบลักมีคนไม่ชอบนั่นเองนี่แหละเป็นเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้สูญหายไปไหนและสิ่งต่างๆที่เราทำไว้มันก็จะปลุกฝังเป็นนิสยัยเป็นสันดานขึ้นมาเราเคยทำอะไร ทำซ้ำซากๆมันก็จะติดเป็นนิสัยขึ้นมาถ้าเราทำเพียงครัง้งสองครั้งนี่มันอาจจะไม่ติดแต่ถ้าทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะติดจากนิสัยมันก็จะกลายเป็นสันดานสันดานนี้มันเลิกกว่านิสัยแก้ยากกว่าแต่ก็แก้ได้แต่ต้องฝืนเหมือนกับเวลาเราจะถอนอเสาที่เราปักไว้ในดินเนี่ย ถ้าเราฝังไม่ลึกเวลาจะถอนมันมันก็ถอนง่ายแต่ถ้าฝังมันลงไปลึกๆนี่เวลาจะถอนมันถอนยากกว่าพฤติกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นการทำความดีหรือเป็นการทำความชั่วทำบุญหรือทำบาปนียมันจะฝังอยู่ในใจของเราเป็นนิสัยเป็นสันดานถ้าทำมากๆ ม, มันก็จะเป็นสันด า, านก็เหมือนกับเหมือนกับ เสาให้มันลงลึกลงไปเรื่อยๆให้มันแน่นขึ้นไปถ้าถ้าต อ, อกไม่มากต อ, อกไม่ลึกมันก็ไม่แน่นก็เรียกว่าเป็นนิสยัยถ้าต อ, อกต อ, อกลงไปลึกมันก็จะแน่นเวลาที่จะเปลี่ยนนิสัยมันจะยากแต่ก็เปลี่ยนได้บางคนก็เปลี่ยนได้ถ้ารู้ว่านิสัยนี้ไม่ดีทาแล้วให้มีโทษกับเราทำให้เราทุกข์เราก็พยายามฝืนมันได้ แต่เวลาฝืนมันก็ต้องอดทนหน่อยเพราะมันจะรู้สึกไม่สบายใจเชออ่นเรารู้ว่าดื่มสซรานี่ไม่ดออีทำให้เรากลายเป็นคนขี้เมาเป็นคนไม่มีคนเคารพนับถือเชื่อถื อ, อ, อไว้ใจไม่ได้ว่า เ, ออเวลาเมาแล้วก็พูดอะไรก็กจะพูดได้จะทำอะไรก็จะทำได้ ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยเราก็ต้องห้ามเวลาที่เราอยากจะดื่มสุราเราก็ต้องฝืนยอมอดทนยอมทนกับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากดื่มสุราพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงแล้วความทรมานใจมันก็จะลดลงไปแล้วเดี๋ยวความอยากดื่มโซดาก็หมดไป ต่อไปเราก็เลิกสุราได้เลิกเดื่มสุราได้เลิกนั่งเลิกสูบบุหรี่ได้เลิกทําอะไรต่างๆที่เราคิดว่าไม่ดีกับเราได้คนที่ติดช้อปปิ้งก็เลิกได้ทุกครั้งอยากจะไปช็อปก็ฝืนใจแต่ถ้าอยากจะได้ทำให้มันง่ายก็คนรที่จะไปฝึกสมาธิกันเพราะการมีสมาธินี้จะช่วยทําให้เราฝืนความอยากได้ง่าย เราจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาเราอยากจะไปเที่ยวนี้เราก็ไปนั่งสมาธิแทนเราก็จะไม่รู้สึกทรมานใจเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิอยากไปเที่ยวแล้วไม่เราไม่ได้เที่ยวนี้ใจมันจะสัน่นนะใจมันจะหงุดหงิดใจมันจะลำคาญถ้าเราไม่อยากจะให้มันหงุดหงิดลำคาญอยากจะให้เราทนกับ ความอยากได้เราก็ไปฝึกสมาธิกันไปนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งใจให้สงบพอใจสงบแล้วใจก็จะไม่สัน่นไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่ลำคาญถึงแม้จะไม่ได้ทำตามความอยากแต่จะรู้สึกสบายขึ้นมาถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะเลิอกอะไรได้มากได้ง่ายมากกว่าคนที่ไม่มีสมาธิก่อนที่ไม่มีสมาธินี่เวลาฝืนความอยากนี่มันจะทรมานมาก แต่ถ้ามีความอดทนมากๆก็สู้ได้คือถ้าเรามีความตั้งใจแบบเด็ดขาดว่ายอมตายดีกว่าทำตามความอยากนี่ถ้าเราตั้งเป้าไว้ตรงนี้แล้วสามารถสู้ความอยากได้แต่ถ้าเราไม่ยอมตายนี่สู้ไม่ได้เดี๋ยวมันมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ยกทงข่าแล้วยอมแพ้ยอมไปทำตามความอยาก ถ้าไปทำตามความอยากมันก็ต้องทำต่อไปเพราะความอยากมันก็จะกลับมาชวนอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันไม่กลับมาชวนเราแล้ ว, ลวเพราะมันรู้ว่ากลับมามันก็ทวมันก็ชวนเราไปทำไม่ได้อันนัวิธีที่เราจะฝืนความอยากได้เราก็ต้องไป ฝึกสติไปนั่งสมาธิกันไปหาเครื่องมือมาสู้กับความอยากเครื่องมือมันมีสองอย่างนอกจากสมาธิแล้วมีปัญญาด้วยปัญญาก็คือการเห็นโทษของการทำตามความอยากนั่นเองว่ามันไม่ดีดื่มสวราแล้วติดสซราไม่ดีติดบุหรี่ไม่ดีติดยาเสพติดไม่ดีติดเที่ยวไม่ดีพอรู้แล้วนี่เรียกว่าปัญญา ทีนี้จะทําตามที่ปัญญารู้ได้หรือเปล่าถ้าไม่มีสมาธิก็ยากจะทรมานมากแต่ถ้าไปฝึกนั่งสมาธิไปหัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้นพอทําใจให้สงบได้แล้วเวลาอยากจะทําอะไรก็สามารถฝืนมันได้หยุดมันได้สู้กับมันได้นี่เป็นวิธีที่เราจะฝืนกรรมได้ฝืนกรรมที่ไม่ดีได้ ฝืนกรรมที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันได้ฝืนความด้วยการฝืนความอยากต่างๆนี่สิ่งที่พาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันก็คือความอยากสามประการความอยากเสพกามก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดในภพของกา ร, รมาภพคือภพของมนุษย์เทวดาและสัตว์เดรัจฉานเปรทั้งหลายนี้เป็นภพของผู้เสพกาม ส่วนรูปภพนี้เป็นภพของผู้เสบรูปประชาญอารูปภพนี้เป็นภพของผู้เสบรูปประชานถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสามภพนี้ก็ต้องตัดความอยากทั้งสามประกาศนี้ถ้าติดกามภพติดกามะ ถ้าอยากเสพการก็ต้องฝืนมันต้องหยุดมันด้วยการฝึกสมาธิทําใจให้สงบแล้วก็จะฝืนความอยากได้ถ้าติดสมาธิก็ต้องอยาไปติดต้องงดการเข้าสมาธิให้อยู่แบบเฉยๆได้โดยที่ใช้ปัญญาสอนใจว่าการติดสมาธิก็จะพาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอยู่เรื่อยๆก็ต้องใช้ความใช้ปัญญา ฝืนใช้สติฝืนถึงจะสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าหยุดความอยากต่างๆได้แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาเจอปีชงปีชวดปีฉลูอีกต่อไปไม่ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่ที่ติดมากับการมาเกิด การมาเกิดมันไม่ใช่จะได้แต่ความสุขอย่างเดียวนอกจากความสุขแล้วมันยังได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเต็มไปหมดความวิตกกังวลความห่วงใยความเศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้าความวุ่นวายใจความฟุ้งซ่านความเครียดจีปาถะของความทุกข์ทั้งหลายนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดทั้งนั้นแหะถ้าเราหยุดได้ หยุดนิสัยนี้ได้เนี่ยพวกเรามีนิสัยไม่ดีอยู่อย่างคือชอบมาเกิดกันชอบเสบรูปเสียงกลิ่นนสดกันถ้าไม่เสบรูปเสียงกลิ่นนสดก็ไปเสพรูปประชานถ้าไม่เสบรูปประชานก็ไปเสบารูปประชานมันต้องมีอะไรให้เสบทั้งอย่างมันถึงจะมีความสุขเนีนเราต้องเห็นว่าการเสบ สเหล่านี้ถึงแม้จะมันจะเป็นความสุขมันก็มีความทุกข์แถมมาด้วยเออย่างน้อยก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเอีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเอนั้นถ้าไม่อยากที่จะต้องมาทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเผืนนิสัยเก่าอย่าทําตามนิสัยเก่าอย่าทําตามความอยากทั้งสามประการด้วยการหัดทาใจให้สงบให้นิ่ง เข้าสมาธิให้ได้ด้วยการใช้สติดึงใจให้เข้าสมาธิฝึกสติคือคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธให้มันขยันบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงความอยากต่างๆแล้วความอยากมันก็จะลดกําลังน้อยลงไปน้อยลงไปจนหมดไปในที่สุดนแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกต่อไปพอเราไม่มาเกิดแล้วกฎแห่งกรรมก็ไม่สามารถที่จะส่งผลให้กับจิตใจของเราได้อีกต่อไปอนี่แหละคือเรื่องของสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตจิตใจของพวกเราคือกรรมนี้เองคือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจ ทำบุญหรือทำบาปด้วยกายวาจาใจมันก็จะทําให้เกิดสุขหรือทุกข์ให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆต่อไปถ้าเราหยุดการกระทํากรรมต่างๆได้หยุดความอยากได้เราก็จะหยุดการกระทํากรรมต่างๆได้การกลับมาเกิดก็จะไม่มีอีกต่อไปเมื่อไม่กลับมาเกิดแล้ว กรรมต่างๆบุญหรือกรรมบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ก็จะไม่มีผลต่อจิตใจอีกต่อไปอ น, นี่คือทางเลือกของพวกเรามีอยู่สองทางจะกลับมาเกิดใหม่หรือจะไม่กลับมาเกิดใหม่ถ้าไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ไปฝึกสมาธิกันไปหันนั่งสมาธิแล้วก็ไปสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยาก ว่ามันจะพาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้เรื่อยๆถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไปฝึกสมาธิกันไปทำใจให้สงบเพื่อเวลาเกิดความอยากเราก็จะได้ฝืนมันได้พอเราฝืนความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังมันก็จะไม่ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในใจพบอีกต่อไป เราก็จะไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่เรากำลังเจอกันในขณะนี้น่าจะเจอกันไปเรื่อยๆตราบใดที่เราไม่สามารถาฝืนความอยากทั้งสามได้แต่ถ้าเราฝืนได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาเราก็จะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้อีกต่อไป นี่คือเรื่องของต่ำที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะทาวาเริวาหโปราปาริปุเรนติสาขหลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดว่เมวาสมิจาโตสัพเพปเรนโตสังกาปาจันโทปนะาราโสยทา มณีโชติอาราโสยะถาสพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโวินาสตุมาเตภวตตวนตารายุสุขีทีคายุโกภวะอะพิวาธนสีลิสานิจจังวุฒาปัจายโน จตารโธรรมวัานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว เพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามเพราะต้องมีเรื่องอย่างอื่นต้องทำต่ อ, อยิ่งถ้าอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้ถ้าไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา425 YouTube 424วิทยุออนไลน์14รับฟังข้างบนนี้64คนรวมทั้งหมด927ครับโอเคอถ้ามีคำถามก็เชิญเลยนรัตการพระอาจารย์ค่ะโยมมีคำถามเกี่ยวกับที่พระอาจารย์พูดเกี่ยวกับการฝันนะคะ ว่าฝันดีก็คือทำกรรมดีฝันดีทำกรรมไม่ดีก็ฝันลายแล้วก็พูดถึงฝันว่างเปล่าแล้วคนที่ไม่ฝันละคะหรือว่าฝันแต่จำไม่ได้แล้วนั่นคือเรียกว่าการฝันว่างเปล่าก็บางทีจิตมันเหนื่อยจิตมันนึกไม่ได้มันก็ไม่ได้ฝันก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามีสมาธิเพียงแต่ว่าช่วงนั้นจิตก็อาจจะเหนื่อยจิตที่มัน บางทีมันก็ไม่ฝันก็มีแต่ถ้าฝันมันก็จะฝันดีหรือฝันร้ายแล้วแต่บุญที่หรือบาปที่ได้ทํำมาไว้แต่พวกที่ไม่ฝันเลยส่วนใหญ่ไม่ฝันเลยเก้าสิเก้าจุดเก้าเปอร์ซ็นนี่ก็เป็นพวกที่มีสมาธิกันมากกว่าอคือปกติโยมไม่ค่อยฝันเนี่ยค่ะก็เลยอยากดูว่ามันอยู่ก็ต้องดูว่าเราตอนที่เราตื่นเราเข้าสมาธิได้หรือเปล่าถ้าเข้าไม่ได้ก็คงไม่ใช่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเราฝันแล้วมันอาจจะลืมนะเวลาตื่นขึ้นมาปั๊บมันบางทีความฝันมันบางทีมันหายไปปุ๊บเลยเราไปคิดเรื่องอื่นปั๊บมันมันลืมไปแล้วเมื่อกี้ได้ฝันหรือเปล่าต้องมีเรื่องฝันที่มันมีน้ำหนักบ้างๆเหมือนถึงจะทาให้เราจำได้ขึ้นมาคือต้องประทับใจจริงๆนะบางทีมันถึงจะจำได้แต่ถ้าเรื่องแบบทั่วสัเพเฮละไปมันอาจจะไม่จะ เราคิดว่าฝันนะเพียงแต่เราพอตื่น้นมาปั๊บเราจิตเราเริ่มเป็นไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนมันก็เลยลืมไปว่าเราฝันอะไรไปหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะดูปัจจุบันดูตอนที่เราเตือนว่าเราสุขมากกว่าทุกหรือเปล่าก็แล้วกันทางใจนะไม่ได้ไม่ได้ทางร่างกายไม่ได้ทางทรัพย์สินหมายถึงว่าเรามีความสุขอ ใจสบายใจไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายแล้วป่ะอันนั้นก็เป็นตัววัดใจเราได้อย่างหนึ่งมีอีกคําถามหนึ่งเกี่ยวกับการพูดคือคนเราควรจะพูดดีใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งที่ดีคราวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยพูดดีแต่คนฟังแล้วพูดง่ายๆกันชอบพูดง่ายๆกันว่าเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ กาต้าาองระมันระวังก่อนจะพูดก็ต้องคิดให้รอบครอบก่อนว่าพูดไปแล้วจะมีผลอะไรตามมาถ้าถึงแม้จะพูดดีแต่ผลไม่ดีตามมาก็อย่าพูดก็แล้วกันเพราะบางทีบางคนก็ไม่ยอมรับความจริงไปพูดความจริงแล้วเขาก็เสียใจแล้วโกรธเราได้แล้วถ้าเราจะต้องโกหกเพื่อที่ให้เขาไม่เสียใจก็อย่ากโกหกเฉยๆก็ไม่อย่าพูดพูดเรื่องอื่นไป <Okay. S 2> อ่าอ่า ายเบี่ยงไปไม่ต้องพูดเขาก็รู้เองว่าเราไม่อยากจะพูดเขาบังคับเราให้พูดไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะพูดมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีวันนี้ขาวประจำหายไปไหนไม่ไม่สงสัยอะไรแล้วเลวยยังเราว่าง่าปีชงหายสงสัยอะไรยังหายแล้วเจ้าค่ไม่ชงกันนะเราชงกันเองนะ ครับคำถามจากคุณนายมีอาชีพเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินครับ <Blair> ถ้าทำไปเรื่อยๆจะมีผลอย่างไรกับชีวิตและครอบครัวครับก็มันก็มันไม่แน่นอนไงเพราะอาชีพหลังนี้มันบางทีก็รวยได้บางทีก็เจ๊งได้ <dadurch> มันมีความเสี่ยงสูงกว่าการทำอาชีพที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าเช่นทำงานทำการมีเงินเดือนมันก็ยังมีความเสี่ยงอาจจะตกงานได้แต่อย่างน้อยความเสี่ยงมันอาจจะน้อยกว่าอาชีพหวยถ้าเป็นเจ้ามือหวยเกิดโชคอ่างวดไหนเขาได้เบอร์ดีๆมาเนี่ยเขาถูกกันเยอะๆนี่เราก็อาจจะต้องวิ่งหนีแล้ว<สๆ>อยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องประเนจรนะต้องหายสาบสูญนะ แล้วก็่ะถูกเขาตามล่างั้นก็มีควา ม, วามเสี่ยงทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ชีพการพนันนี่มันมีความเสี่ยงสูง ม, มีความเสี่ยงที่จะหมดเนื้อหมดตัวได้มีความเสี่ยงที่อาจจะเจ็บตัวได้เนะี่ยงั้นก็ต้องคิดถึงผลที่จะตามมามันไม่ใช่จะดีอย่างเดียวทุกอย่างมันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีทั้งนั้นแต่ว่าเราอยากเรารับกับผลที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ คำถามจากคุณทันมีญาติเป็นหมอรักษาคนไข้แล้วเปลี่ยนมาเปิดคลินิกศิลปกรรมความงามครับวิบากกรรมจะเป็นเช่นไรครับก็เหมือนเดิมก็เป็นอาชีพรักษาคนไข้ก็เก็บเงินเขามาทำัญญากรรมก็เก็บเงินเขามันก็ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดถ้าสมมติว่า รักษาคนไข้แล้วเก็บเงินแล้วเปลี่ยนมาทําสัลยกรรมแล้วไม่เก็บเงินนี้ถึงจะได้บุญทําให้คนเขาสวยแล้วยังทําให้เขามีความสุขอีกไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างนี้ก็ได้บุญดังนั้นบุญมันเกิดจากการที่เราเสียสละจะไม่ใช่อยู่ที่การทำอาชีพไหนทำอาชีพไหนถ้าไม่มีการเสียสละก็ไม่ได้บุญ ถ้าเป็นหมออยากจะได้บุญก็ลองเปิดคลินิกฟรีสักวันหนึ่งสิวันนี้เปิดฟรีเลิกมีหมอบางคนก็เก็บแค่ห้าบาทวันนี้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยมาหาหมอวันนี้จะเก็บเพียงห้าบาทอันนี้หมออยากจะทำบุญอย่างนี้ก็ได้บุญแต่ถ้าเก็บเต็มที่เต็มร้อยก็ไม่ได้บุญ ไม่ว่าจะจ ะ, จะทําความสวยงามหรือจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่ได้บุญเหมือนกันเนี่ยคำถามจ้าคุณสราวุธผมไปเก็บลูกไม้และต้นกล้าภายในวัดเพื่อนำ ม, มามาที่บ้านแต่ได้ขอกับพระที่วัดแล้วครับจะเป็นบาปไหมครับถ้าพระอนุญาตแล้วก็คงจะไม่เป็นบาปนะเพราะเราได้ขออนุญาตจากเจ้าของแล้วหรือตัวแทนของเจ้าของ คำถามจากคุณแมมการที่เราเลี้ยงวัวเพื่อขายจะบาปไหมเจ้าค้าเพราะคนที่ซื้อไปเพื่อฆ่ามาจำหน่ายเป็นเนื้อวัวไม่บาปหรอกแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรจะทาเพราะไปส่งเสริมให้มีการฆ่ากัน เ, ออเปลี่ยนอาชีพดีกว่าถ้าเราเป็นวัวเป็นควายเราก็จะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาเลี้ยงเราเพื่อให้เราไปตาย เราก็อย่าไปทำอาชีพนี้ได้ก็ดีกว่าแต้ยังไม่บาปนะเองแต่ว่ามันเป็นการทำส่งเสริมให้คนอื่นเขาได้ทำบาปหมดแล้วเอออาชีพที่ทำแล้วให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนต่อผู้อื่นถึงแม้เราเองไม่ได้เป็นผู้กระทาความเสียหายเดือดร้อนก็ไม่ควรทำเช่นอาชีพที่ค้าพวก อาวุธหรือกับดักสัตว์ต่างๆเนี่ยพวกเห็ดพวกอะไรพวกเบ็ดพวกแแหอะไรพวกนี้เขามีไว้เพื่อที่จะไปกับจับสัตว์มาเพื่อจะได้เอามาฆ่ า, ามากินเอีหรืออาวุธต่างๆหรือสารพิษต่างๆที่ทําให้สัตว์ต้องเสียชีวิตเอีหรืออาชีพขายสุรายาเมาอันนี้ก็เป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้คนดื่มสุรา พอดื่มสุราแล้วเขามืนเมาก็จะไปเกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องเกิดราวกับผู้อื่นต่อไปอการไม่ทำอาชีพเหล่านี้จะลดปัญหาของสังคมลงได้ทำให้สงคมสังคมเราอยู่กันแบบร่มเย็ยนเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้ต่อกัน ควรห า, าชีพที่ส่งเสริมให้สังคมมีความอยู่ดีกันดีกว่าเช่นไปเป็นหมอเป็นพยาบาลหรือขายอาหารอาหารหรือตัดเย็บเสื้อผ้าอาชีพเหล่านี้มันไม่มีพิษมีภัยกับใครมีคนมีประโยชน์ไม่มีคำถามนะเดี๋ยวเมาไมไปหน่อยนะมันใกล้ๆไม่หน่อย อยากจะขอถามท่านอาจารย์นะคะที่คนเขาบอกว่าไม่กินสัตว์ใหญ่กินแต่สัตว์เล็กอะ่ะมันจะลดบาปได้จริงอะคะ่ะไม่บาปหรอกถ้ามันไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้อยู่ที่กินเนี่ยแต่คนอื่นเป็นคนฆ่าให้เราเราอย่าไปสั่งเขาก็ไม่บาปถ้าเราสั่งเขาก็บาปเช่นไปร้านอาหารเทะเลแล้วเชี้่อวตัวนี้นะเราไม่ได้ฆ่าแต่เขาไปฆ่าให้เราอี้บาปแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็สั่งอาหารมา โดยที่ไม่ได้ไปบอกว่าให้เอาตัวนั้นตัวนี้มาค่าแต่มันก็ยังบาปอยู่เพราะเรารู้ว่าเขาจะต้องเอานอกจากเราสั่งไว้เด็ดขาดว่าเอาของที่ตายแล้วนะอของที่ตายแล้วเอามาสั่งอาหารที่สัตว์ที่ตายแล้วมากินไม่บาป แต่ถ้าไปสั่งอาหารที่สัตว์ยังไม่ตายแล้วให้เขาไปฆ่ามาทำอาหารให้เรากินนี้ก็ยังถือว่าบาปอยู่ทำเองก็ดีหรือสั่งให้คนอื่นทำให้เราก็ดีเหมือนว่าเราฆ่าสัตว์ไม่ได้ก็เลยสั่งให้คนอื่นฆ่าแทนเรานี้ก็บาปเหมือนกันแต่สัตว์ใหญ่สัตว์เล็กไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวบาป้องไหม่รับมันเพียงแต่ว่าบาปหนักหรือบาปน้อยเท่านั้นเองสัตว์ใหญ่ก็บาปก็หนักกว่าสัตว์สัตว์เล็ก ถ้าเราถ้าเราสั่ให้ค่าใช่ไหมคะ<ต>ถ้าเราฆ่าเขาให้สั่งให้เขาฆ่าเรื่องเราค่าเองก็บาปแต่ถ้าของตายแล้วเช่นไปที่ตลาดมีของที่เขาตะค่าตายแล้วมาวางขายนีย่ซื้อมาอย่างนี้มาทํากินไม่บาปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือเป็นสัตว์ใหญ่ก็ไม่บาปขออีกคําถามได้ไหมคะอืมสมมุติว่าเราเราเลี้ยงปลาใช่ไหมคะมแล้วเราก็ไปซื้อกุ้งมาให้เขากินเนี้ย เราเราบาปนะถ้ากุ้งที่มีชีวิตก็บาป ก, าาก็เราเป็นคนฆ่าเขาไปเอาเข้ามาแล้วก็โยนให้ปลากินแต่ถ้าไปปล่อยที่ไม่มีปลาเนี่ยก็ได้บุญซื้อกุ้งมาแล้วไปปล่อยในในแม่น้ำลาคลองในทะเลอย่างงี้ได้บุญถึงแม้เขาจะถูกปากลาอื่นกินก็ถือว่าเป็นเรื่องของของของชีวิตเขาต้องเป็นอย่างนั้นแต่อย่างน้อยเขามี มีมีทางเลือกคืออาจจะถูกกินก็ได้ไม่อาจจะถูกกินก็ได้แต่ถ้าเอาไปใส่ในตู้ปลานี่มันโดนกินแน่ๆโอเคขอบคุณค่ะครับคำถามจากคุณบรรพินขายสารเคมีทางการเกษตรจะเป็นบาปหรือไม่ครับก็ก็อว่าใช้แล้วมันทำให้เกิดพิษภัยต่อผู้อื่นหรือเปล่า สารเคมีถ้ามันก็อาจจะทำให้พืชต่างๆนี้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในพืชแล้วเดี๋ยวเราเอามากินมันก็มาทำร้ายเราเองเขาถึงเดี๋ยวนี้นิยมสารปลอดนิยมผักปลอดสารพิษกันเพราะว่าเวลาใช้สารพิษเพื่อฆ่าแมลงหรือกำจัดวัชพืชมันก็จะเข้าไปในตัวผักแล้วมันก็จะติดอยู่ในผัก พอเรากินมันก็จะเข้าไปในร่างกายเราแล้วมันก็จะมาเป็นสารก่อมะเร็งทําให้เราเกิดมีมะเร็งขึ้นมาอั น, นี้ถ้าเราไม่ใช้สารต่างๆอยู่แบบเมื่อก่อนสมัยปู่ย่าตายายเราไม่มีสารต่างๆก็อยู่กันมาได้สมัยกรุงศรีสมัยสุขโขทยัยเขาก็ไม่มีสารอะไรต่างๆอย่างที่เรามีกันเขาก็อยู่กันมาได้เออนถ้าเราไม่อยากที่จะทําให้ผู้อื่นเขา เดือดร้อนจากการทำมากินของเราก็อย่าทํามากินแบบนี้กับเรากันแต่ถ้าทํามันก็ไม่ผิดมันก็ไม่บาปมันก็เพียงแต่ทําให้มีความเสียหายหเดือดร้อนกับผู้อื่นมันไม่ได้โดยทาโดยตรงจากการกระทําของเรา คำถามจากคุณเบลเวลาที่นั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาจนไม่สามารถนึกพุโทโธได้บางทีก็เกิดอาการหน่วงหน่วงที่จมูกเราสามารถวางพุโทโธแล้วมาเพ่งจุดหน่วงนี้หรือวางใจให้นิ่งแล้วเพ่งเวทนาได้ไหมเจ้าคะ่ะได้ถ้าเราสามารถที่จะทําใจให้เรานิ่งให้เฉยกับเวทนาได้หมายให้เวทนามันแสดงไปก็ได้เนี ขอให้เรานั่งอยู่ประมันต่อไปการฝึกนี้ก็ฝึกเพื่อให้เราไม่ต้องไปสะทกสะท้านกับความเจ็บของร่างกายที่มันจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆร่งางกายของเราเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราฝึกสมาธิแบบทนกับความเจ็บของร่างกายได้ต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ต้องกินยาแก้ปวดก็ได้เพราะการฝึกสมาธินี้เป็นธรรมโอสถเป็นยาที่ระ ง, งับความปวดได้ดีกว่าความปวดยับกับยาเพราะรับประทานยาเดี๋ยวมันก็ไปติดยาอีกเวลาไม่มียาก็ก็ทุกข์อีกเห็นใช้วิธีฝึกฝึกจิต ด, ด, ดีกว่าทำจิตให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาละเวลาร่างกายเป็นอะไรจิตจะได้ไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณหญิงจะมีอุบายใดบอกจิตในการระงับไม่ให้ไปอาฆาตหรือแก้แค้นกลับกับผู้ที่กลั่นแกล้งเราอย่างหนักเจ้าค่ะก็มองมุมกลับสิเราไปแก้แค้นเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาแก้แค้นเราไม่ใช่เขาว่าเขาเราไปค้นเอค้าไม่ใช่เขาว่าเขาเขาทำผิดเราไปแก้แค้นก็ได้เอแล้วเขาจะไม่โกรธเรามันไม่มีหรอกถึง แ, แม้เขาทำเราเขาก็ไม่คิดว่าเขาผิดใช่ไหมเขาคิดว่าเขาถูกเขาถึงทำเรา แล้วพอเราไปทำเขาเราก็คิดว่าเราถูกเดี๋ยวก็ทำไปทำมามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาตอนต้นก็อาจจะว่ากันด่ากันเดี๋ยวก็ตีกันใหย่ที่สุดก็ต้องฆ่ากันเห mm hmm. ็นทางถ้าคิดถึงภาพที่นึกถึงภาพของเหตุการณ์ที่มันจะขยายตัวเห <c oughs> ยื่สู้ยอมหยุดดีกว่าหยุดหยุดแล้วเย็นสบายแพ้เป็นพระชนะเป็นมารดีกว่า คำถามจากคุณนุกถ้าเราจะได้โสดาบันใครจะเป็นคนบอกเราได้คะและรู้ได้อย่างไรครับเราเนี่ยแหละเป็นคนที่จะรู้เองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบุญในปัจจุบันที่เราทำสามารถผลจากหนักให้เป็นเบาจากกรรมที่เราทำในอดีตได้ไหมครับมันไปลบล้างกรรมบาปไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาต้าน ถ้าเราสร้างบุญให้มีมากกว่าบาปบาปก็ยังลงโทษเราไม่ได้มันต้องรอลงอายาก่อนมันต้องรอให้บุญแสดงผลก่อนจนกว่าบุญจะอ่อนกำลังลดลงมาอ่อนกว่าบาปบาปมันถึงจะส่งผลต่อไปได้อันนี้หมายถึงช่วงที่เราตายนะช่วงที่เราตายถ้าบุญมากกว่าบาปบุญจะพาเราไปสวรรค์ก่อนอยังไม่ต้องไปอบาย แต่ถ้าบาปมากกว่าบุญพอตายไปบาปจะเดึงใจไปอบายทันทีทำได้แค่นี้แต่ไปล้างบาปไม่ได้ล้างบุญไม่ได้บุญกับบาปต้องไปใช้ในในอบายในสวรรค์มันถึงจะล้างได้มันถึงจะหมดได้คำถามจะคุณนาวีหนูเลี้ยงสุนัขแล้วทำหมันให้เขาเราจะเป็นบาปหรือไม่อย่างไรครับไม่บาปเพราการทำหมันไม่ได้เป็นการทะไร ให้เขาเดือดร้อนเป็นการระงับการเกิดคำถามจากคุณอนัญญาโยมเคยทำความสงบใจบริกรรมพุโทโธจนจิตวูบลงสู่สมาธิแบบดิ่งลงแต่ปัจจุบันจิตดิ่งแบบกระตุกแรงเหตุใดจิตไม่เหมือนแต่ก่อนครับ อ, อ๋อจิตมันไม่แน่นอนนะมันก็สภาวะอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไป ก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้มันไปถึงจุดที่เราต้องการไปก็แล้วกันจะไปแบบอดิ่งพระสุธาหรือจะไปแบบโดดร่มก็ใช้ร่มกลางมันก็ถึงดินเหมือนกันถึงความสงบเหมือนกันก็ใช้ได้เนีย่ยะนั้นจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเหตุการณ์ในชีวิตของเรามันก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการต่อจิตใจของเราได้ แต่สิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้ก็คือให้มันสงบได้โดยการฝึกสติให้มากๆคำถามจากคุณนิวเวลาที่เราเดินจงกรมสามารถสวดมนต์ไปด้วยได้ไหมครับถ้าเราสามารถใช้การสวดมนต์ควบคุมความคิดเราได้ก็สวดไปก็ได้ทางที่ดีถ้าสวดก็ถ้าไม่ออกเสียงได้จะดีกว่าเพราะเดี๋ยวอาจจะเห็นแล้วมันอาจจะไม่สุภาพ สดมนต์ไปภายในใจเหมือนกับพุทโธไปภายในใจแทนที่จะพุทโธก็ใช้การสวดมนต์แทนก็ได้คำถามจากผู้ฝากถามโยมได้เตือนน้องสาวที่ไปคบกับผู้ชายที่มีภรรยาแล้วตอนนี้น้องสาวเรากับผู้ชายคนนั้นเขาโกรธเราเราไม่สนับสนุน เคยเตือนแล้วเขาไม่เชื่อแต่ไปเชื่อผู้ชายเราจะมีกรรมร่วมกับเขาไหมครับไม่มีหรอกเป็นเรื่องของเขาใครทำกรรมอันใดว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราเป็นเหมือนจราจรบอกว่าทางนี้อย่าไปนะทางนี้มีมีหลุมมีบ่อมีเหวนะถ้าไปดีไม่ดีเดี๋ยวตกหลุมตกบ่อตกเหวได้นะก็บอกได้ทนันีีแต่ถ้าเขาไม่เชื่อจราจรเขาอยากจะไปก็เรื่องของเขา คำถามจากคุณนุกสัตว์ที่ไปเกิดในป่าหิมพานต์และพบพญานาคนั้นทำบุญหรือบาปอย่างไรทำไมไม่ไปสวรรค์หรือนรกครับไม่รู้เหมือนกันถ้ายังไม่ไปถ้ายังไปเป็นเดรัจฉานก็แสดงว่ายังเป็นสัตว์เยยังทำบาปอยู่ คำถามจากคุณแคทอากาศร้อนแต่เราไม่รู้สึกว่าร้อนแต่เพื่อนของเรารู้สึกร้อนเป็นเพราะผลเกิดจากการภาวนาทำสมาธิหรือไม่ครับใช่เป็นผลใจเราเฉยไงใจเราไม่ค่อยมีอารมณ์ปฏิกิริยากับความรู้สึกทางน่างกาย จะเจ็บจะหนาวจะร้อนก็เฉยๆได้แต่คนที่ไม่ฝึกนี้อะไรมากระทบร่างกายหน่อยก็วุ่นวายใจขึ้นมานี่แหละคือผลต่างที่เกิดจากการฝึกจิตให้สงบกับไม่ฝึกจิตให้สงบจิตที่ได้รับการฝึกฝ่นอบรมนี้จะสงบจะเย็นจะสบายจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝ่นอบรมจะร้อนจะวุ่นวายกับเรื่องนิดเดียวกับเสียงคาพูดคาเดียวก็วุ่นวายไนดะ กับมากับกับอะไรกับยุงตัวเดียวก็วุ่นวายได้เวลาจะนอนมียุงมาเกงก้งเก้งอยู่วุ่นวายนอนไม่หลับแต่คนที่มีสมาธิก็พูดโธของครูไปมุญญากัดก็กัดไปมันกัดกระจิ๊กเดียวก็เสร็จแล้ะมันก็หลับได้สบายนี่แหละคือผลต่างของผู้ที่ฝึกจิตกับผู้ไม่ฝึกจิตเหมดแนละ้วใช่ไหมคำถามไม่ีใครอยากจะถามไหม